แงเมืองพาราศีเมื่อก่อนพุทธปรินิพาน45ปีในวันเพ็ญพระจันทร์สวยดาวเรกชื่อว่าวิสาขาคือวันเพ็ญเดือนวิสาขาเป็นเวสาขาในราตีวันเพ็ญ น, นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมก่อนแต่ตรัสรู้เรียกว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้คลองอยู่ในความรู้อันหมายความว่าไม่ทรงคล้องอยู่ในสิ่งอื่น ข้ อ, อยู่แต่ในความรู้จึงทรงสแสวงหาความรู้จนได้ตรัสรู้จึงเรียกว่าพุท ธ, ธที่แปลว่าผู้รู้หรือตรัสรู้เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ที่ภายใต้ต้นไม้ชื่อว่าอัสสัทธะต่อมาก็เรียกว่าต้นโพคําว่าโพธิแปลว่าตรัสรู้เพราะพระพุทธเจ้า ไปประทับนั่งใต้ต้นไม้นั้นตรัสรู้จึงได้เรียกว่าต้นไม้ตรัสรู้เรียกเป็นศัพท์ว่าโพธิพฤกษ์แต่ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ว่าอัสทะที่ตรัสรู้นั้นอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาลาในตาบลอุรุเวลาในมกขรัฐเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ประทับมั่งสวยมีมุตติสุขในที่ต่างๆ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 และได้ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงแสดงธรรมสั่งสอนเป็นครั้งแรกได้ทรงนรึกถึงอาหารดาบทและอุททกดาบทซึ่งได้เคยเข้าไปศึกษาอยู่ในชั้นแรกแต่ก็ได้ทรงทราบว่าท่านทั้งสองนั้นถึงมรณภาพไปเสร็จแล้วต่อจากนั้นจึงได้ทรงนรึกถึงพิสุห้าลูปอันเรียกว่าปัญจวคีแปลว่ามีพวกห้า ซึ่งได้มาคอยเฝ้าปฏิบัติพระองค์อยู่ในเวลาที่ทรงบำเพ็ญทุกระกิริยาแต่ได้ทิ้งพระองค์ไปเสียเมื่อทรงเลิกทุกขระกิริยามาทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงทราบว่าภิกษุ ป, ปัญจวคีเหล่านั้นได้ไปพักอยู่ที่ป่าอิศปตนะมรุขไทยวันแขวนกรุงพารณาณสีจึงได้เสด็จออกจากบริเวณโพธิพุทที่ตรัสรู้ในตาบลอุรุเวลา เสด็จบ่ายพระพักไปสู่กรุงพารณสีเพื่อจะเสด็จไปอย่างตำบลที่พิษุทั้งข้านั้นพักอยู่ในตอนนี้พระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงว่าได้เสด็จออกจากตำบลออรุเวลาที่ตรัสรู้ในตอนเช้าของวันขึ้น14ค่ำเดือน8หน้าวันเข้าวันสาคือได้เสด็จไปตอนเช้าของวันโกนและก็ได้เสด็จถึงตำบล ที่พระภิสุปัญจาวะขี่พักอยู่คืออิสิปัตนะมฤุกทายวันในตอนเย็นวันนั้นแต่ถ้าดูระยะทางตามแผนที่จากตำบลอุรุเวลาที่บัดนี้เรียกว่าพุทธขยาไปถึงป่าอิสิปัตนะมฤุกทายวันที่บัดนี้เรียกสารนาตก็เป็นหนทางถึงร้อยไมล์เศษในคัมภีร์ชั้นบาลีไม่ได้กําหนดวัน เป็นเพียงแต่ได้บอกว่าได้เสด็จไปโดยลำดับเท่านั้นภิกษุปัญจวคีตั้งค่านั้นมีชื่อว่า 1. โกนธรรญะสองวัปปะสพัทธิยะสมหานามะและหอัศชิโกนธัญญะเป็นหัวหน้าท่านโกนธัญญะผู้นี้ได้เป็นพรามคนหนึ่งในจำนวนพรามหนึ่งแคน ที่มาประชุมทำนายพระลักษณะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประสูติแล้วห้าวันพราหมณ์เหล่านี้พากันทำนายว่าพระองค์จะมีกติเป็นสองคือถ้าอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระราชาเอกในโลกแต่ถ้าออกทรงพนวดจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกส่วนท่านโกทัญญาเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดในหมู่พราหมณ์นั้นได้ทำนายไว้คติเดียวว่า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 ได้ไปทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาก็เป็นที่ศพอัธยาศัยของท่านทั้งห้านั้นซึ่งนิยมในทานนั้นก็พากันไปคอยเฝ้าปฏิบัติครั้นพระองค์ได้ทรงเลิกลาเสีแล้วท่านทั้งห้านั้นก็เห็นว่าพระองค์ได้ทรงเวียนมาเป็นผู้มากๆจะไม่สามารถตัสรูพระธรรมได้ก็พากันหลีกไปพักอยู่ในตําบลอิสิ ป, ปตนะมฤคทายวันนั้น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 ข้าเช็ดพระบาทมาคอยปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับบนอาสนะส่งล้างพระบาทแล้วพวกภิกษุปัญจวคีร์ก็พากันเรียกพระองค์ด้วยถ้อยคำตีเสมอคือเรียกพระองค์ว่าอาวุโสที่แปลว่าผู้มีอายุหรือแปลกันอย่างภาษาไทยว่าคุณพระพุทธเจ้าก็ตรัส้าบและได้ตรัสว่าต ถ, ถาคตมา ก็เพื่อจะแสดงอมตรธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจฟังและปฏิบัติโดยชอบก็จะเกิดความรู้จนถึงที่สุดทุกได้ภิกษุปัญจวคีกราบโทนคัดค้านว่าเมื่อทรงบำเพ็ญทุกรกิริยายัางไม่ได้ตรัสรู้เมื่อทรงเลิกเสียจะตรัสรู้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสยืนยันเช่นนั้นและพวกภิกษุปัญจวคี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 ซึ่งเป็นวันที่ได้ประกอบพิธีอาสาละบูชาดังที่ได้กำหนดตั้งขึ้นเป็นวันบูชาวันหนึ่งปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนานี้เป็นเทศครั้งแรกที่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางที่พระองค์ทรงปฏิบัติได้ทรงแสดงธรรมะที่ได้ตรัสรู้ได้ทรงแสดงญาณคือความรู้ของพระองค์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 คุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจใจความปฐมเทศนานี้ตอนที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางที่บรรพชิตคือนักบวชซึ่งมุ่งความหน่ายมุ่งความสิ้นราคะคือความติดความยินดีมุ่งความตรัสรู้มุ่งพระนิพพานไม่ควรจะส่องเศพอันได้แก่การสุขขันลิกานุโยก ความประกอบตนด้วยความสุขสดชื่นอยู่ในทางกรรมและอตตกิละมะฐานุโยกความประกอบการทรมานตนให้ลำบากเดือดร้อนเปล่าเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นของต่ำสามที่เป็นกิจของชาวบ้านที่เป็นของปุถุชนมิใช่เป็นกิจของบรรพชิตผู้มุ่งผลเช่นนั้นโซนอีขนทางหนึ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเป็นขนทางกลาง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 ที่ได้ตรัสรู้เมื่อละทางทั้งสองขั้นต้นและมาเดินอยู่ในทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิปติเป็นทางกลางซึ่งมีองค์ประกอบทั้งแปดนั้นอันได้แก่อริยสัตสคคาว่าอริยสัตแปลว่าความจริงของบุคคลผู้ประเสริฐก็ได้แปลว่าความจริงที่ทำให้บุคคลเป็นคนประเสริฐก็ได้อริยสัตสนี้ได้แก่หนึ่ง ในพระสูตรนี้ได้ชี้ว่าอะไรเป็นทุกข์ไว้ด้วยคือชี้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกคือแห้นใจปริเทวะคือค ร, ร่ำครวญรนโจรใจทุกขะคือทุกข์กายเช่นป่วยไข้ทรมนัสสะคือทุกข์ใจอุปายาสะคือคับแค้นใจเป็นทุกข์อปิยสัมปโยก ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปิยวิปโยคความพระราศจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันที่ยึดถือไว้ทั้งห้าประการเป็นทุกข์ 2. ทุกขะสมุ ท, ทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในพระสูตรได้ทรงชี้ว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจ อันมีลักษณะให้สัดสายไปสู่พบคือภาวะใหม่เสมอไปด้วยกันกับน้ำทิความเคลิอเพลินราคะความติดความยินดีมีความเพลิด เ, เพลินเป็นอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆมีสมคือการตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในกามคือได้แก่สิ่งที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจภาวะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในพบ คือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตันหาความนินรนทรยานอยากไปในวิภพ ค, คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ 3. ทุกขานิโรธความดับทุกในพระสูตรได้ทรงชี้ว่าคือดับตันหาเสียได้หมดสละตันหาเสียได้หมดปล่อยคืนตันหาเสียได้หมดพ้นตันหาเสียได้หมดไม่อะไรพัวพันอยู่ในตันหาทั้งหมดส ลูกขานิโรธคถามิดีปฏิปทานเรียกสั้นๆว่ามักได้แก่มักอันมีองค์แปดประการดังกล่าวข้าต้นนั้นตอนที่สามพระพุทธเจา้าทรงชี้แจงว่าที่เรียกว่าตรัสรู้นั้นคือต้องเป็นรู้ที่มีลักษณะอย่างไรรู้ที่เรียกว่าเป็นตรัสรู้นั้นต้องมีลักษณะดังนี้ คือเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นทุกเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทุกนี้ได้กำหนดรู้แล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าสมุทัยนี้ควร ล, ละเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าสมุทยนี้ละได้แล้ว เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นนิโรธความดับทุกเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านิโรดนี้ควรกระทำให้แจ้งเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านิโรดนี้ได้ทำให้แจ้งแล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้ควรอบรมใหมีขึ้นเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติใหถึง ความดับทุกนี้ได้อบรมให้มีขึ้นได้บริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นญาณคือความรู้จะเรียกว่าตรัสรู้ต้องประกอบด้วยลักษณะเป็นสัตยาณคือความรู้ในความจริงว่านี่เป็นความทุกจริงนี่เป็นสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกจริงนี่เป็นนิโรธคือความดับทุกจริงนี่เป็นมัก ค, คือข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกจริง ส่วนหนึ่งต้องเป็นกิจจยาณความรู้ในกิจคือหน้าที่คือรู้ว่าหน้าที่จะต้องปฏิบัติในทุกก็ได้แก่กาหนดรู้ในสมูทัยก็ได้แก่ต้องละไม่ดรวดก็ได้แก่การทำให้แจง้งในมักก็ได้แก่ต้องปฏิบัติอบรมส่วนหนึ่งต้องเป็นกตายานคือความรู้ในการทำกิจเสร็จคือรู้ว่าทุกก็ได้กาหนดเสร็จแล้วสมูทัย ก็ละเสร็จแล้วนิโรธก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมักก็ได้ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในพระสูตรจึงแสดงว่าความตัตรรู้ของพระเจ้านั้นเป็นญาณคือความอย่างรู้ที่มีวนรอบสามมีอาการส2องมีวนรอบสามก็คือว่าต้องรู้ในอรยิยสัจทั้งสี่นั้นโดยเป็นสัตญาณ คือความรู้ในความจริงรอบหนึ่งต้องรู้ในอริยสัจทั้งสี่โดยเป็นกิตติยานคือต้องรู้ในกิจอันได้แก่หน้าที่รอบหนึ่งต้องรู้ในอริยรสัจสี่นั้นโดยการเป็นกิตตยานคือความรู้ในการทำกิจเสร็จรอบหนึ่งสามคูสี่ 12. เป็นสิบสองคือว่ามีอาการสิบสองเมื่อเป็นความรู้ที่วนรอบสามมีอาการสิบสองดังกล่าวนี้จึงเรียกว่า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 ในทรงํำเนินทางปฏิบัติมาอย่างไรจึงได pues ้ตร nah ัสร really ู้ก <face> ็ตอบได้ด้วยตอนที่หนึ่งปัญหาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรก็ตอบได้ด้วยตอนที่สองปัญหาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยความรู้ที่มีลักษณะอาการอย่างไรก็ตอบได้ด้วยตอนที่สามฉะนั้นในท้ายพระสูตรพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศว่า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 เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นในธรรมะคือในความจริงที่ไม่ได้์งเคยสดับฟังมาจากใครไม่ได้ทรงเรียนมาจากใครเมื่อพิจารณาตามพระสูตรแม้ทางปฏิบัติของพระองค์พระองค์ก็ท่งพบขึ้นเองเพราะได้ทรงละทางปฏิบัติของคณาจารย์ต่างๆมาโดยลำดับจนมาถึงทรงค้นหาทางปฏิบัติด้วยพระองค์เองและส่งพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา และทรงดำเนินไปในทางนั้นเมื่อทรงดำเนินไปในทางนั้นจนบริบูรณ์แล้วก็เกิดญาณคือความอยางรู้ขึ้นในธรรมะคือความจริงอันไม่แก่อริยสัจสี่ซึ่งไม่เคยทรงสระดับมาจากใครความรู้นั้นผุดขึ้นมาเองอันเป็นผลของการปฏิบัติที่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ หมายถึงว่าทรงมีความรู้ดังที่แสดงไว้ในพระสูตรดังกล่าวนั้นแหละเมื่อได้เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดภิกษุปัญจวคีที่อิสิ ป, ปัตนาเมฤุขไทยวันณกรุงพาราสีในแคว้นกาสีและเมื่อได้เล่าความแห่งปฐมเทศนานั้นโดยยอ่อต่อไปนี้จะเล่าเรื่องประกอบก่อนโปรดติดตาม 45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าในตอนต่อไป